วันนี้เป็นวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2558ก่อนอื่นหลวงพ่อจะบอกประกาศให้คณะสัทธาตญญิโยมได้ทราบเพราะวันนี้เป็นการทำบุญของเจ้าภาพครั้งยิ่งใหญ่คือมานัสหลานมานัส แล้วก็แฟนของมานัทคือสงกรานสเวทวงศ์นามสกุลสเวทวงศ์พวกเราถ้าหาว่าอยู่ใกล้หลวงปู่ล่าคงจะรู้จักนามสกุลหลวงปู่ล่าแตนะ่เี๋เขาก็มาทามาตั้งโรกรากอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแถวตลาดนั่นนแะต่เี๋เขาก็มาสร้างที่พักสำหรับพระไปบินทบาท พระไปบินธบาตตอนเช้าพอไปถึงที่นั่นแล้วก็ไปยืนตากฝนอยู่ใช้ร่มก็ตากฝนบางทีฝนก็ตกแรงมานัดเขาก็เห็นว่าครูบาทั้งหลายเขาคงไม่สะดวกเขาก็เลยตั้งศาลาเล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วก็บางทีครูบาทั้งหลายอาจจะมายืนอยู่ที่นั่นอาจจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมอีก เขาก็ทํำห้องน้ําให้อกีกห้องนึ่งสำหรับใช้สําหรับพระสงฆ์สําหรับครูบามีห้องน้ําก็มีศาลาก็มีที่นั่งพักคอยถ้าองค์ไหนไปก่อนก็นั่งคอยองค์ไหนไปที่หลังก็นั่งตามหลังนั่งจนกว่าหลวงพ่อไปถึงแล้วก็ปิน่นออกปิน่นทบาทพร้อมกันทกเช้านะ ตอนี้เขาก็สร้างขึ้นมาเมื่อ 3-4 ปีให้หลัง5้าปีให้หลังก็ใช้ทุนทรัพย์มากพอสมควรเดี๋ยวนี้ที่ดินแปลงนี้ก็1งงานเนี่ยก็เดี๋ยวนี้งานแถบแถบน้ถ้าอยู่ในใกล้ความเจริญเาว่าหนึ่งล้านแล้วนะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกนันนนอำเภอในยุงน ะ, ะเพราะนั้นมานัสเขาก็พูดเมื่อเช้าบอกว่า ผมกับครอบครัวของผมคือสงกรานต์ขอมอบถวายที่ดินแปลงนี้ให้กับพระนสงให้ได้ใช้ตลอดไปทั้งศาลา ด, ด้วยทั้งห้องน้ำด้วยที่ดินงานนี้เพราะนั้นให้ขอให้พวกเรารับรู้รับทาราบร่วมกันเจ้าภาพถวายแล้วขอทิศทากคิดเป็นเงินออกมาก็ประมาณล้านห้าแสนบาทเงินก้อนนี้นะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ประกาศก่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันออกพรรษาปีพุทธศักราช2558เป็นวันออกพรรษาก่ถวายสาราหลังนี้พร้อมกับที่ดินเพราะนั้นขอหลวงพ่อจึงประกาศให้คณะสงฆ์และคณะสัทยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้รับรู้รับทราบ พ, พร้อมกันก็ขอให้พวกเรา อนุโมทนาสาธุพร้อมกั น, นสาธุเพราะว่าเป็นที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้ใช้พระสงฆ์มาจากจารุรทศิศเขาก็คิดไกลเหมือนกันนะเป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่ล่าของเร า, เาลูกหลวงปู่ล่ามีลูกอยู่สามคนลูกสาวคนโตแล้วก็มีลูกชายสองคนอันนี้เป็นคนที่คน คนที่สองอดาบเสาผู้หมวดเสานะ่ร้อยตรีร้อยตรีเสาทหารน ะ, ะแล้วก็ได้มาตั้งรกลากอยู่ที่อำเภอนายูงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวประกาศให้พวกเรารับซูรับรู้รับทราบเป็นสาธารณะ และก็วันนี้เป็นวันประวารณาออกพรรษาเป็นวันออกพรรษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพวกเราให้ทบทวนรู้ว่าการออกพรรษาปี2558นี่ที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานสมาทานอันไหนเอาไว้ขาดเหลือขาดตกอะไรก็ขอให้พวกเราประชุนให้เต็มเปี่ยมเพื่อมาให้เป็นแผลในจิตใจของพวกเรา เพราะนั้นวันนี้ตอนเที่ยงพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งห0กว่ารูปคงจะได้ปวารณากันออกพรรษาปวารณาคำนี้หลวงพ่อก็ได้พูดวันๆานมันก่อนก็อยากจะเน้นยับอีกจุดหนึ่งให้พี่น้องประชาชนได้รับ ร, รู้รับทราบปวารณาออกพรรษาคล้ายๆบพระสงฆ์ใจเด็กจะได้แยกย้ายกันพาไป ไปคนละทิศละทางแต่ผู้ที่อยู่ก็มีผู้ที่ออกไปก็มีเพราะนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปบางที่อาจจะมีความขัดข้องหมองใจกันอยู่ไม่สบายใจกันอยู่เพราะนั้นพระท่านจึงให้ปวารณาต่อกัน อ, องค์ใหญ่แล้วองค์อย่างหลวงพ่อเนี่เป็นประธานเพราะว่าไม่ใช่แต่พระระดับไหนนะพระพุทธเจ้าท่านผู้บัญญัติวินยัยท่านก็ ประกาศเลยว่าเราตถาคตจะเป็นผู้ประวัรณาในสงฆ์ท่านก็ประวัรณาในสงฆ์ภาษาลิบุตรที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้นั่งกะยงประนมมือประครองอัญชลีคล้ายไปยกมือท่วมหัวออบอกว่าพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ประวัรณาต่อสงฆ์เลยเพราะว่าพระพุทธองค์เป็นชัยยมภูรู้แจ้งหมดทุกอย่างเป็นผู้ประกาศพระธรรมคําสอน กดวินัยให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็นผู้บริบูรณ์เหนือเหนือหลักธรรมวินัยแล้วพวกข้าพระองค์เองจะเป็นผู้ประวรณาต่อกันจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ประวรณาต่อกันว่าสร้างคำอาวุโสถ้ามีถ้าถ้าอายุพรรษามากนะอย่างหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหมูหลวงหลวงพ่อเขาอาวุโสนะถ้าลองลงไปนะพันเตสร้างคำพันเตปวารีมิตรเทนวาสุเตนวา ปริสร่างกายวาวัดันตุมังอาจตสมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะ ป, ปัตท่านโตปฏิกริษสามิความแปลและความหมายในบาลีจุดนี้ท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสหธรรมมิตรทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายที่มันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัย เ, เห็นกวาจาของผมที่พูดออกไปไม่ถูกต้องตาม รักพระธรรมคําสอนหรือหลักพระธรรมวินยัยหรือลังเกียรตในใจว่าหมู่พวกผมเนี่ยเป็นผู้เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิในหมู่ในคณะเป็นมิจฉาทิฐิเป็นความเห็นไม่ถูกต้องก็ขอให้หมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์บอกกล่าวให้ผมด้วยผมจะสํารวมระวังและจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปอันนี้ก็คือการปรวรณาในสงฆ์ จากนั้นองค์ที่สองที่สามที่สีที่ห้าจนถึงองค์ที่ห้าสิบนั่นะพูด <c oughs> อย่างเดียวกันหมดคล้ายๆว่าปรวารนาสรุปแล้วก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหากว่าผงธุลีเข้าอยู่ในตาของตนเองเนี่ยตัวเองจะมองไม่เห็นคนอื่นจะมองเห็นได้นี่ก็เหมือนกันความประพฤติหรือว่าการคิดการทำการพูดของตนเองมันมองไม่เห็นเพราะมัน มันอยู่กับตัวเองเพราะมันเคยชินกับอุปนิสัยตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่รู้ว่าความผิดความถูกอยู่ในตัวของเราเนี่ยอาจจะขาดเหลือขาดตกอย่างไรแต่คนอื่นเห็นลเลยไม่น่าจะแสดงอย่างนี้ไม่น่าจะทำอย่างนี้ไม่น่าจะพูดอย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายและหมู่พกเพื่อนทั้งหลายเห็นก็ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็สารวมระวังจะไม่ กระทำอย่างนั้นอีกต่อไปเนี่ยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าผู้ใดชี้ความผิดให้กับเรา เ, เรามองไม่เห็นความผิดของเราแต่คนอื่นเป็นเป็นผู้เห็นชี้ความผิดให้กับเราเท่านบอกว่าผู้นั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้แต่โดยมากคนพานแล้ว่าคน โ, โมโหโกธาเนี่ย จะไม่ชอบนะคนอื่นมาว่ากล่าวตักเตือนแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ท่านบอกว่าผู้ที่ชี้ความผิดให้ น, นั้นคุณทำผิดนะคิดผิดทำผิดพูดผิดนะอันนั้นคือบันฑิตนักปราชญ์ยอมรับแต่หลวงพ่อแตมีมากมายเหมือนกันนะลูกหลานนะพอหลวงพ่อนี่เรียนต่ำจบป .4 แต่ตามไม่จริงเรื่องหลักธรรมคาสอนหลวงพ่อพยายามเน้นเน้นเรียนรู้แต่ภาษาในหลวงพ่อได้ยอมรับนะเอ อ, อย่างเขาหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดป๋าบ้านตาัดหลวงพ่อว่ากล่ำคือการกระทําหรือเมโลถึงพงพ อ, อ, อก็มีคนโทรมาจากทางไกลเลยท่านท่านท่า น, านไม่ใช่เมโลนะเมนเมนเ อ, อท่านอย่าไปใช้ว่าเมโลนะ อ, อท่านต้องใช้ว่าเมนฮะ หลวงพ่อเออใช่แนะกรมท่านมื่อท่า น, านไม่ต้องมีตัวกล้ำหรอกกรรมคำนี้กรรมคือการกระทําต้องกรรมธรรมดานะแต่ว่าเขียนเน่ยเขียนเป็น ก, กอรอกอรกอมออยู่เป็นกล้มอยู่แต่ว่าเวลาพูด ต, ต้องเป็นกรรมนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเมื่อเขาว่ากาวตักเตือนหลวงพ่อก็ยอมรับออยอมรับในความผิดหรือว่าการบกพร่องในการพูดในจุดภาษาจุดนั้น แต่บางครั้มมันออกยากเหมือนกันนะบางทีมันอยากจะพูดอยู่แต่มันพูดไม่ออกก็มี อ, อย่างพระฟรังหนะลวงพ่อไปสอนเอสาหังพันเตให้นนะอุนนกรมปังอุปาดายะอ น, นุคัมพังกุพาทายะไม่ใช่กรรมไม่ใช่คำกรรมกรรมกรรมคำคาคาเขาก็พยายามพูดกรรมแต่มันไม่ออกมันเป็นคำไนี่แหละ อันนี้ก็คือหลวงพ่อียจะลักษณะอย่างนั้นกนะ็นักสัตยาธายา่าโยมอย่างที่หลวงพ่อเคยได้ยินเพราะอุปชาหลวงพ่อพูดให้ฟังสมเด็จติดโสอ้วนท่านดุเด้ที่วัดบรมเวลาพระเวลาท่านจะไปไประชุมท่านจะมาประชุมทางอีสานอย่างนี้นมาภาคพระสงฆ์ทั้งหลายก็เกณฑ์กันมาเลยเกณฑ์กันมานั่งต่อหน้าเต็มไปหมดนะ่พอเต็มไปหมดที่นี้ท่านก็ถามเลยอะ พระองค์เนี่ยเรียนอะไรเนี่ยต้องเรียนหนังสือนะท่านเรียนอะไรองค์นั้นก็ตอบผิดผิ ด, ผดถูกถูกกลัวเนีผมเรียนจบนักทําตีครับนะฮะไม่ทักตีได้ยังไงเห็นไหมตัวรออยู่ที่นั่นนะ่ะนักทำเต้ซ์ไม่ยังจะถกูกยาพูดนักทําตีทําตีไม่ได้นะต่อไปนะฟังนะใครนะบาทเดิก็ถางมิององที่สองนะองค์นั้นนะ่ะนักทำอะไรนะ่ะเตียนอะไรนะ ผมนักทําเทราครับวงทางหลายก็ไม่รู้จะหวัวเลาะยังไงก็กลัวโจมด็ดจะด่าอีกทีก็ลเลยต่างคนก็ต่างเอามือกุมปากใครกุมปากเมาเราว่างันตอนนี้เขาก็เลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่ อ, อพก็พนึกขำไปอีกบรนกันว่างั น, น, นะอะพอแล้วมันกลัวนะเข้าไหม ไอ้จ้ว่านักทำนักทโทรธรรมดาก็ไม่ได้ใช่ไหมอ้กลัวสมเด็จจะด่าอีกทก็เลยใส่ให้มันถูกเข้าไปเลยนักทมโทรเลยยิ่งไปใหญ่เลยนี่แหละอันในสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะคณะสัตยาธิโยมลูกหลานถ้าใครว่ากล่าวตักเตือนเราเราต้องฟังเพราะเราจะดอยู่ในชุมชนสังคมในหมู่ในคณะไม่ใช่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถคนเดียวไม่ใช่ ถ้าหากว่าเราอย่างพระพุทธเจ้าท่านประกาศพระธรรมคำําสอนอันนั้นคือสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นพระธรรมคำําสอนเราเอามาพูดเอามาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาพูดมากล่าวอันนั้นก็มันก็เป็นตามธรรมแต่หาว่าเป็นความคิดของตนเองบางครินมันจะถูกโยแต่ว่าการพูดแสดงออกไป ทำให้คนอื่นขัดเคืองเครื่องใจไม่สบายใจสิ่งเหล่านั้นก็เราก็ต้องระมัดระวังเพราะการอยู่ด้วยกันมากมายหลายคน เ, เราจะทําอย่างใจของเราเต้องการหรือใจของเราปรารถนาอยากจะพูดอะไรเต็มปากเต็มคําไม่ใช่นะต้องระมัดระวังวาจาไหนเป็นสุภาษิตวาวาจาไหนเป็นทุภาษิตนะสุภาษิตก็เป็นวาเป็นภาษิตเป็นคําพูดที่ดี ทุพาสิท์ก็เป็นคาพูดที่ไม่ถูกต้องไม่ดีฟังเข้าไปแล้วถึงจะฟังเข้าไปแล้วไม่สบายใจแต่ถึงยังไงก็าตามนะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบวัวที่เราเข้าไปศึกษาท่านก็ท่านก็เชื่อมั่นในตัวของท่านเพราะเราในฐานะสิทธ์ต้องเข้าไปหาไปอยู่กับท่านก็ไปปล่อยให้ไปประวัลาตัวให้ท่านถึงท่านจะดุด่าว่ากก่าอย่างไร เราก็ยอมรับเพราะเหตุว่าท่านถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดุด่าว่าเก่า เ, เต็มที่เพราะบางสิ่งบางอย่างเราผู้ได้รับการดุด่าว่าก่าวบางครั้ง เ, เราก็สู้ครูมันกันนะไม่สบายใจไม่น่าจะบูดไม่น่าจะพูดดุด่าว่าก่าวรุนแรงถึงขนาดนี้เพราะในสาธารณสาธารณชน แต่เป็นหน้าที่ของท่า น, ท, า น, ท, า น, ท, านท่านต้องมองดูว่าการตีและการดุข่าวนี้เพื่ออะไรท่านต้องมองไกลกว่าพวกเราเพราะนั้นต่อไปนี่พระองค์เนี่ยถ้าไม่ขู่ขนาดนี้นะ่มันจะไม่มันจะไม่ลงนะมันจะไม่ยอมนะมันจะพยองพองตัวมันจะอวดดีนะเพราะนั้นต้องตีให้จบตีให้เสร็จตีให้แรงๆอย่างนั้น เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับช่างเหล็กเนี่ยนะหมเหมือนกับช่างเหล็กเราจะไปบอกว่าค่อยตีค่อยๆก็ได้หรอกมันตีค่อยๆเกิดมันตีได้อยู่แต่ไม่ไม่เป็นมีดเป็นพล้าน่ละเดไม่เป็นขวานไม่เป็นมีดขึ้นมาได้เพราะนั้นเราจะไปบอกช่างตีให้ตีค่อยๆได้ยังไงพอลงคเนินเขาก็ลงคเนินใสทั้งตีจนหมดแรง แปดปอนด์อีกต่างหากกว่าที่จะตูตีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่พอมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะไปตีแรงอย่า ง, างานั้นได้ยังไงทีนี่มันจะเสียหายเขาก็ค่อยตีตี ต, ตีค่อยๆไล่ๆล่ไล่ไล่ไปสุให้มันแดงตีให้เป็นรูปเป็นเล่มขึ้นมาจากนั้นเขาทําเป็นเล่มรูปรูปเล่มเออันนี้ก็คือช่างตีอันนี้ก็นนเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของพวกเราก็เหมือนกันที่เรา้าไปศึกษาจะไปบอกกล่าวว่าให้ท่านดุดาค่อยๆลูกดีๆอย่างนั้นได้ยังไงเราไม่ใช่ว่าจะดีอย่างนั้นตลอดใช่บางทีบางทีงทกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเพราะนั้นท่านก็จะต้องใช้กระนาปะต้องใช้วาทะเหตุที่รุนแรงดุด่าว่ากา่า เอาให้เจ็บให้เข็ดนะอย่างนั้นก็มีนะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์หลายๆองค์หลวงพ่อก็เคยโดนดุครูบาอาจารย์ดุดาา่าว่ากล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รู้ว่าการดุด่าว่ากล่าวนั้นมันเจ็บปวดก็จริงแต่ก็มันเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นบทที่พวกเราจะนามาใช้อย่างหลวงพ่อเนี่ยได้นำทำคาสอนของครูบาอาจารย์ นำมาใช้ไม่ไม่ใช่น้อยเลยทั้งที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนดุทุกวันนั่ก็ยังจําไม่ลืมหลายเรื่องที่ครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวแต่ถึ้งยังไงก็เป็นเหตุผลของท่านบางทีเราก็ในขณะที่ท่านดุเราก็คงจะไม่พอใจอยู่บ้างในช่วงนั้นนะแต่พอมาช่วงหลังๆเราก็อเป็นแนวแถวของท่านที่จะต้องที่ท่านจะต้องดุด่าว่ากล่าว เหมือนกับช่างเหล็ก เ, เราจะไปขอร้องว่าให้ตีค่อยตีแรงก็ไม่ได้มันต้องเป็นความคิดของนายช่างในช่งาชงเหล็กผู้ตีเหล็กเองควรจะลงค่อยลงแรงขนาดไหนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันถึงจะมากมายหลายท่านก็จริงที่มาสู่วัดวาศาสนาที่เป็นศิษยานุสิต เ, เป็นลูกศิษย์ด้วยกันการที่จะพูดว่ากล่าว อะไรต่อกันให้ละมันให้สํารวมระวังไม่ใช่มีปากแล้วจะพูดไปโดยที่ไม่เกรงใจใครมกน่าไม่น่าจะถูกมันกระทบกระเทือนถ้ามันกระทบกระเทือนแล้วมันทำให้ทาให้มองหน้ากันไม่ติดเผอเผล อ, อไม่เผาผีจีกระดูกกันอีกก็มีมากต่อมากในบรรดาจิตครูบาอาจารย์เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะ พวกเราก็มาศึกษาธรรมะเราไม่ได้มาศึกษาเพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้มาศึกษากต้องการลาบต้องการยศต้องการสรรเสริญเรต้องการบุญบุญคือกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมือ่อเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาตามหลักธรรมคำสอนแล้วเราก็นำไปปรเพืติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราจากนั้นกระต่างคนก็ต่างไปแล้วนะไม่ได้ไปด้วยกรารหลอก ไปต่างคนต่างไปเว้นเสียแต่ว่าปรารถนาไปด้วยกันแล้วก็ไปเกิดไปด้วยกันไปชูสวรรค์ชั้นผ่อมด้วยกันแต่เว้นเสียแต่ปราถนาอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธจเจ้าตั้งแต่นายช่างทองตั้งแต่ไปขายทองมาเนี่ยนะพระพุทธเจา้าไปเกิดที่ไหนเทยวรัฐก็ไปเกิดใกล้ๆกันนั้นแหละไปอิดช้าพยาบาทอาฆาตอยู่อย่างนั้นละ่ะอันนั้นแปลว่าคู่อาฆาตคู่เวรคู่กรรมต่อกันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราได้ มาถึงในมาถือหรือมาอยู่ในพระพุทธศาสนาได้มาเลื่อมใสนับถือพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจา้ามาเลื่อมใสนับถือในพระธรรมคําคสอนของพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวการอยู่ด้วยกันให้มีเมตตาต่อกันเนิ่นให้มีน้ําใจต่อการเนิ่ให้มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเนิ่นสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้น ให้ทำคิดดีทำดีพูดดีนี่เมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วความดีนั่นแหละจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจของเรานั่นะเป็นคลังเป็นที่เก็บบุญเก็บบาปถ้าวัดเราทาชั่วเราก็เก็บบุญเราก็เก็บบาปอย่างเดียวถ้าเราทำดีเราก็เก็บบุญเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นให้พยายามสั่งสนให้เก็บบุญเข้าสู่จิตใจ ไว้ให้มากสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเรารู้แล้วพวกเราได้มาศึกษาแล้วว่าอันไหนไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นคิดทําพูดแต่สิ่งที่ดีในเมื่อพูดคิดพูดทดําในสิ่งที่ดีความดีจะเข้าสู่จิตใจไปอยู่ในภพภูมิใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อได้ เน้นเรื่องการพูดการใช้วาจ า, าในการเป็นอยู่ด้วยกันสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องวาจาที่เป็นธรรมวาจาที่มีเหตุมีผลาวาจาที่ไหนที่เป็นทุพาสิทธิวาจาที่ไม่ดีไม่ควรจะพูดต่อกันนะการพูดการาต่อกันก็ควรจะมีสัมมาวาจาคิดซะก่อน ไม่ใช่ว่าอารมณ์บูดอยู่ในจิตในใจแล้วบูดมาจากไหนก็ไม่ทราบเพราะในสู่ก็ไม่โพร่งพ่างออกไปใส่หมูใส่เพื่อนใส่พักใส่พวกต่อมันไม่ดีเสียหายพอมันโพร่ออกไป เ, เสียหายดึงกลับคืนมายากเพราะอะไมันพูดไปแล้วถึงขออาภาัยยังไงมันก็อยู่ในจิตในใจเป็นแผลอยู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สัมรวมระวัง กายวาจาใจของพวกเรา เ, เพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นานหรอก อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่กับลูกกับหลานนานเท่าไหร่หลวงพ่อก็คิดดูอยู่มั่นกันนะั่นแหลทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่ละ่ะหายใจไม่ออกแล้วก็ใช่ละ่ะพวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นน้อยเป็นหนุ่มก็เหมือนกัน อย่าไปชะล่าใจในชีวิตของพวกเราหายใจไม่เข้าไม่ออกกับอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะนั้นให้สั่งสมบูรณ์กุศลถ้าผู้ใดมีบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้ว อ, อใจเป็นเป็นที่รับบุญเอาไว้แล้วเ อ, อถึงจะไปยางน้อยอย่างหนุ่มเออเป็นพระหรหันต์แต่เป็นสำ ม, มัญเนรก็ต้องมีตั้งเยอะแยะไปเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราถึงจะไม่ถึงขัน้นพระหรหันต์ก็เถอะนะ อย่างน้อยกับมีมบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อจิตใจ เ, าเรามีบุญมีกุศลแล้วถึงจะล้มหายตายจากโลกนี้ไปพวกเราจะมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะบุญกุศลเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบุญเท่านั้นเองจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายบาปมีแต่ทาให้พวกเราตกต่ำํทำทําให้ไปในทางที่ชั่วตกต่ําถ้าทํามากะนะตกนรกซะก่อน ออกจากผลจากนร ก, กนมาเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ละชานนานาชนิดเพราะนั้นพวกเราอย่าไปทําความชั่วทําแต่ความดีเมื่อทําความดีแล้วความดีให้ผลจะมีแต่ความเจริญนะูกหลานคณะจัตตาญ า, าติโยมต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนระัตนีนะอุทิศส่วนกุศลหนา้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ถวายทานได้กล่าวคําถวายทานอย่างไรบัดนี้พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนรัตนีนะอุทิศนะส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะ